ข้อหมวดจิตเมื่อแน่ใจว่ารู้สุขทางใจได้ชัดแล้วหากถามตัวเองว่าจะเข้าถึงความรู้จักจิตตัวเองได้อย่างไรคราวนี้คงง่ายขึ้นเพราะหากรู้สุขทางใจได้นานก็แปลว่าจิตต้องมีความสงบราบคาพอสมควรเมื่อจิตเป็นสุขจากการเสวยวิเวกภาวะพอใจสงบย่อมปรากฏเด่น และถูกรู้ได้ในตัวเองว่าลักษณะหน้าตาของอาการสงบใจเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ปฏิบัติแบบตามมีตามเกิดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฉันพบว่าถ้าวันไหนทำสมาธิจนสงบสุขได้ก็จะเหมือนเห็นจิตตัวเองในอีกแบบหนึ่งคือปรากฏภาวะไม่มีหูไม่มีตาไม่มีแขนไม่มีตัว มีแต่ดวงความรู้ดวงหนึ่งปรากฏสภาพคงที่อยู่เฉยๆภาวะนั้นทำให้รู้สึกภูมิใจและยึดมั่นว่าตัวเองทำได้ทั้งที่เกิดขึ้นน้อยชนิดนานทีปีหนนแต่ฉันก็ยังเอาไปคุยกับใครต่อใครอยู่เรื่อยว่าฉันทำได้ราวกับว่าเกิดขึ้นเป็นปกติทุกวัน พอมาศึกษาสติปัฏฐานในหมวดของจิตเห็นพระพุทธเจ้าท่านให้เทียบจิตเป็นอย่างๆเอาคู่ตรงข้ามมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเพื่อให้เห็นว่าจิตแบบหนึ่งๆต้องเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามเสมอฉันก็เกิดอาการย้อนพิจารณาเห็นว่าที่ผ่านมาเมื่อนิ่งแล้วก็ไปยึดความนิ่งเป็นของดีของหน้าภูมิใจ แท้จริงแล้วเป็นเครื่องหมักดองหรือเพิ่มภูกิเลสได้อย่างหนึ่งหาใช่สมาธิที่ถูกทางครบพร้อมแต่อย่างใดตราบใดไม่มีสติรู้เพื่อปล่อยวางตราบนั้นยังไม่เข้าทางมรรคผลต่อให้ทำอะไรได้ดีเลิศปานใดก็ตามฉันทบทวนดูแล้วตาสว่าง และคิดจะใช้ความสุขทางใจนั่นเองเป็นตัวกรวยทางเข้าไปรู้เข้าไปดูสภาพทางจิตกล่าวคือเมื่อสุขนานพอจิตย่อมปรากฏชัดโดยความเป็นของนิ่งเมื่อจิตเคลื่อนจากความนิ่งก็ค่อยเปรียบเทียบเอาว่าจิตที่ไม่นิ่งนั้นแตกต่างจากภาวะนิ่งอย่างไร หลังจากทบทวนพิจารณาหมวดจิตที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้ฉันได้ข้อสรุปว่าตัวความสงบเป็นเพียงอาการหนึ่งของจิตผิดจากสามัญสำนึกของนักภาวนามือใหม่ที่มักเข้าใจว่าถ้าสงบลงได้นานพอแปลว่าเข้าถึงสภาพจิตเป็นดวงๆอย่างแท้จริงตามที่ถูกแล้ว จิตมีหลายแบบและเราควรรู้ทุกแบบฉันถามตัวเองว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะเห็นจิตได้อย่างไรก็ได้คําตอบที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นของหมวดจิตนั่นคือเมื่อเกิดราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะหากรู้ว่าจิตมีราคะ โดยไม่หมกมุ่นครุ้นคิดจินตนาการต่อราคะย่อมหายไปนั่นเองพระพุทธองค์ก็ให้รู้ต่อว่าจิตไม่มีราคะนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับขณะที่จิตมีราคแล้วต่างกันแค่ไหนอาจจะในแง่ของแรงดึงดูดเข้าหาวัตถุกรรม หรืออาจจะในแง่ของปฏิกิริยาทางกายที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบจิตก็ได้ทำนองเดียวกันเมื่อเกิดโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้โดยเปรียบเทียบเอาว่าความร้อนกายร้อนใจหรืออาการแค้นแน่นจุก อ, อกหรือความเสียแทงในหัวตอนมีกับตอนไม่มี แตกต่างกันอย่างไรก็รู้ตามจริงเมื่อใช้ชีวิตตามปกติฉันเคยสังเกตตัวเองว่าจิตจะอยู่ในสภาพเหม่อลอยบ่อยๆคือหลงคิดหลงสร้างวิมานในอากาศไปเรื่อยถึงแม้ไม่สร้างวิมานในอากาศก็จะปล่อยให้จิตพักผ่อนตามถนัดนั่งนอนทอดหุ่ยไปเรื่อยต่อเมื่อมีงานต้องทำ หรือมีใครเข้ามาหาสติจึงค่อยยกขึ้นไปรู้วัตถุหรือบุคคลอันเป็นเครื่องกระทบนี่ก็น่าจะเป็นสภาพธรรมที่คอยตามเปรียบเทียบดูได้ว่าต่างกันอย่างไรกล่าวคือถ้าทอดหุยหรือเมื่อลอยสร้างวิมานในอากาศเมื่อนึกได้ฉันจะสำรวจดูว่าจิตในสภาพลอยๆนั้นมีลักษณะอย่างไร แตกต่างจากจิตขณะมีสติยกขึ้นตั้งแล้วแค่ไหนนั่นเองเป็นการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าให้เทียบเคียงจิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้สรุปคือฉันจะเริ่มสําเนียกถึงลักษณะอาการของจิต ไม่สําคัญมั่นหมายว่าจิตมีภาวะใดภาวะหนึ่งตายตัวเริ่มต้นจะดูจากภาวะที่ง่ายที่สุดคือภาวะจิตสงบนิ่งจากนั้นค่อยๆเทียบเคียงไปเรื่อยๆว่าจิตในชีวิตประจําวันแตกต่างจากจิตสงบมากน้อยแค่ไหนและที่ต่างนั้นกระเดียดไปในทางราคะโทสะหรือโมหะ